วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามนสายุนพุทธศักราชสอง6ันห้า้อหสิหเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณมีประโยชน์มีความสำคัญ ต่อชีวิตจิตใจ <c oughs> ของพวกท่านทั้งหลายอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนรู้ <c oughs> ก็อาจจะไม่เห็นคุณค่า <c oughs> ของพระพุทธศาสนา <c oughs> ซึ่งเป็นเหมือนกับเพชรนินจินดาแต่ในสายตาของผู้ที่ <c oughs> ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของเพชรนินจินดา ก็จะคิดว่าเป็นเพียงก้อนหินก้อนที่ก้อนหินก้อนกรวดที่ไม่มีคุณค่าราคาดังเรื่องของไก่ที่ได้พลอยเป็นตัวอย่างท่านคงอาจจะเคยได้ยินนิทานเรื่องของไก่ได้พลอยไก่นี้ตามปกติไก่ก็จะหากินด้วยการคุ้ยเขีย่ยไปในดิน เพื่อหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมารับประทานเป็นอาหารเวลาที่ไปคุยเขีย่ยเจอเพ็ดนินจินดาไก่ก็จะไม่สนใจไก่ก็จะเขีดเพ็พอยทิ้งไปเพราะว่าไม่สามารถเอามารับประทานเป็นอาหารได้จะหาแต่เพียงตัวหนอนตัวไส้เดือนเท่านั้น นี่คือลักษณะของคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของเพชรนินจินดาว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ที่ได้ค้นพบคนที่รู้จักคุณค่าของเพชรนินจินดาเวลาไปเจอเข้าก็จะรีบเก็บเอาไว้ทันทีเพราะสามารถที่จะนำเอาไปขายเอาไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่ จำเป็นต่อการดำรงชีพได้แต่คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของเพชรพลอยเผ็ดนินจินดาต่างๆรู้แต่คุณค่าของสิ่งที่เขาเอามารับประทานได้เท่านั้นเขาก็จะไม่สนใจเขาก็จะเกลี่ยทิ้งไปทิ้งไป <c oughs> นี่ก็เรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนเพชรนินจินดา ที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้ได้มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ตามแต่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีราคาหมื่นล้านแสนล้านนี้ไม่สามารถทำในสิ่งที่พระพุทธศาสนาทาให้กับ ผู้ที่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นั่นก็คือให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธศาสนาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่คอยบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาที่สามารถที่จะทำได้และไม่มีอะไรในโลกนี้เช่นเงินทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องร้องหหมร้องไห้ ยังต้องเศร้าโศกเสียใจยังต้องทุกข์ยังต้องกังวลกับเรื่องราวต่างๆอยู่แต่ผู้ที่ได้พบเพชรนินจินดา mm hmm. เพชรพลอยอันเลิศประเสริฐของพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยนี่แหละคือสิ่ง ท, ที่ที่มีคุณค่าราคาต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรา mm hmm. ก็คือ พระัตนตรัยนี่เพระัตนตรัยรันตนะก็แปลว่าเพชรนินจินดาที่มีที่มีคุณค่าอันล้าค่า<ม>ที่มีสยมอยู่สามสามเม็ดด้วยกันเพชรสามเม็ดพระัตนตรัยนี้เรียกว่าเป็นเพชรสามเม็ดเพชรเม็ดแรกเรียกว่าพระพุทธรัตนะเพชรเม็ดที่สองเรียกว่าพระธรรมรัตนะ เพชรเมที่สามเรียกว่าพระสังฆรัตนะถ้าเราได้เพชรได้เพชรหนึ่งในสามเพชรนี้เราก็จะได้มีความสามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้หมดนี่คือเรื่องของของที่มีคุณค่าในพระพุทธศาสนา ของที่ล้ําค่าที่มีคุณค่ามากกว่าข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆถึงแม้จะมีราคาเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่มีคุณค่าไม่มีไม่มีความสามารถที่จะทําสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะทํากันได้นั่นก็คือถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ อย่าไปหาเงินหาทองมาให้เสียเวลาหามาได้เท่าไหร่ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็ยังจะไม่มีวันหมดสิ้นไปแต่ถ้าเราได้พบกับเพชฌของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พบกับพระรัตนาตรัยความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้จะหายหมดสิ้นไปเลยนี่แหละคือคุณค่าของพระาศาสนาของพระพุทธาศาสนา อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยนี้เองพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะเป็นพระพุทธศาสนาได้สมบูรณ์นี้จาเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาก่อนถ้าขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระศาสนานี้จะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้ ถ้าเราย้อนไปในจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนานี้เราก็ต้องไปเริ่มต้นที่การปรากฏขึ้นของพระพุทธรั ต, รตนากรก่อนก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาก่อนที่จะมีพระธรรมคำสั่งคำสอนก่อนที่จะมีพระสังะสงฆ์พระสังฆลัตนคือพระอริยสงสาวกได้นั้น เบื้องต้นจำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงมาตัดสรุปมาพบกับธรรมะอันประเสริฐก็จะไม่มีใครที่จะนำเอาพระธรรมรัตนะออกมาเผยแผ่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้งั้นสิ่งแรกที่ การเกิดของพระพุทธศาสนานี้สิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือการเกิดของพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้มาเกิดมาพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆว่าหลุดพ้นอย่างไรฝนเริ่มตกดิดนหน่อยแล้วก็ต้องดูไปก่อนว่าจะทำยังไงดี ที่ไหนมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็ขอเชิญหลบแดดหลบฝนกันไปก่อนเนี่ยพระตนะตายก็เหมือนกับร่มที่ที่เราหลบฝนกันเนี่ยก็เป็นเหมือนที่พึ่งที่หลบหลบทุกข์ที่เกิดจากฝนที่ตกมาพระตนไตายก็เป็นเหมือนที่เหมือนร่มที่เราป้องกันฝนของความทุกข์ที่ตกมากระหน่ากับหัวใจของพวกเรา ถ้าเราไม่มีที่มุงที่บางร่มลับางฝนเราก็จะต้องเดือดร้อนเวลาที่เกิดมีฝนตกแต่ถ้าเรามีที่มุงที่บังแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่คิดว่าฝนคงไม่ตกมากเทวดามาโปรยน้ำมนให้มานุโมทนามาร่วมแสดงความยินดีกับความ ความสนใจในธรรมของท่านทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งความสนใจในธรรมความดีในธรรมนี้จะทำให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถของวิมุติรถของความหยุด้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองการที่เราจะมีที่พึ่งทางใจ มีที่ปกป้องความทุกข์ทางใจได้เราจำเป็นจะต้องมีพระรัตนตรัยมีที่พึ่งทางใจถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจนี้เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรามาเป็นเวลาอันยาวนานทุกข์ของพวกเราไม่ใช่มีเพียงแต่นี้แต่เฉพาะในภบนี้ชาตินี้เท่านั้น เราผ่านความทุกมากันอย่างโชคโชนจนนับไม่ถ้วนในแต่ละภพในแต่ละชาติในอดีตที่เราเคยได้เกิดมานั้นเราได้พบกับความทุกข์กันทุกภพทุกชาติเพราะว่าทุกครั้งที่เราเกิดมานี้เราก็จะต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตาย เจอกับการพัดพาจากของที่เรารักเราชอบแล้วเจอกับของที่เราไม่รักไม่ชอบซึ่งล้วนเป็นแต่เรื่องที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งนั้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เข้าถึงพระรันตนใจได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระงฆ์เราก็จะมีที่ป้องกันความทุกข์ ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดเข้ามาในใจของเรานั้นเข้ามาในใจของเราได้อีกต่อไปใจเราจะไม่มีความทุกข์เลยถ้าเรามีพระพุทธเจ้ธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งท า, างใจการที่เราจะมีพระพุทธเจ้ธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจได้เราก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็น เป็นที่ที่ตั้งของพระพรทธนาฏย์ไตรพระพุทธศาสนานี้จะเป็นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามองค์ถ้าขาดใดองค์ใดองค์หนึ่งการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาก็ยังจะเกิดขึ้นไม่ได้การเกิดของพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ยาวนานนี้ ในเบื้องต้นต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสมองค์ก่อนถ้าหลังจากนั้นแล้วต่อไปถึงแม้ว่าจะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไปพระพุทธศาสนาก็ยังจะอยู่ต่อไปได้แต่การเกิดของพระพุทธศาสนานี้จําเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ครบองค์และสิ่งแรกที่จะทํำให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ ก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้ค้นพบธรรมะที่ประเสริฐที่ทำให้ใจของพระพุทธเจ้านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าพอใจนั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้ว ก็สามารถที่จะเอาพระธรรมที่ได้ค้นพบนี้เอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ได้ยินได้ฟังแล้วพอผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วนาเอาคำสอนหรือธรรมะคำสอนนี้ไปปฏิบัติก็จะสามารถทำใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้น ได้บรรลุถึงทำมันเผยดได้พอมีการปรากฏขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันแล้วก็ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาในยุคของเรานี้วันเกิดของพระพุทธศาสนาของพวกเราก็คือวันเพ็ญเดือน8ที่เรียกว่าวันอาสาห บ, บูชาเมื่อ2500รกว่าปีที่ผ่านมา วันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้ธรรมมันประเสริฐในวันเพ็ญเดือนหก<ม>ก็มาแสดงธรรมโตรดพระปัญจวัคคีห้ารูปเป็นฤาษีห้ารูปพอฤาษีหนึ่งในฤาษีห้ารูปหลังจากที่ฟังธรรมเสร็จก็เกิดบรรลุเป็นเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบัน เป็นพระ อ, อริยบุคคลใน ต, ตอนนั้นก็ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์แล้วทันทีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงและมีผู้ฟังและบรรลุเป็นพระ อ, อริยสงสาวกขึ้นมาจะได้เป็นพระโสดาบันพระ อ, อริยสง์สาวกนี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่งคือพระโสดาบันระดับที่สองคือพระสะกิราคามีระดับที่สคือพระอนาคามีและระดับที่สก็คือพระอาราหารัน<ม>ต์พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาแล้วพร้อมครบองค์แล้วพระพุทธศาสนาก็ถือว่าได้กําเนิดขึ้นมาในโลกนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีพระพุทธศาสนาเลย เพราะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์นั่นเองในบางยุคบางสมัยอาจจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้แต่ไม่แสดงธรรมเพราะไม่แสดงธรรมก็จะไม่มีผู้ที่ได้บรรลุธรรมตามไม่มีพระอริยสงฆ์ก็จะไม่มีผู้ที่จะสามารถนําเอาธรรมอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ต่อหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าที่ตัดสั้แล้วไม่แสดงธรรม นี่เราเรียกว่าพระประเจกะพุทธเจ้าอันนี้จะไม่ทําให้เกิดพระพุทธศาสนาตามมาเพราะรู้เพียงจำเพาะตนเองรู้แล้วก็ไม่สามารถหรือไม่ไม่มีใครที่จะมาศึกษาต่อมาเรียนรู้จากพระองค์ได้ <c oughs> ก็เลยไม่มีพระธรรมปรากฏขึ้นมาในโลกไม่มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกมีแต่พระประเจกกพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวหลุดพ้นได้เพียงพระองค์เดียว แต่ไม่สามารถช่วยทำให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ตัสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพร ะ, พระพุทธเจ้าที่พวกเรากลาบไหว้บูชานี้ท่านสามารถที่จะนำเอาธรรมันประเสริฐนี้ออกมาเผยแผ่มาสั่งสอนมาแสดงให้ผู้อื่นที่ไม่รู้ได้เห็นได้เข้าใจและได้นำอาไปทำให้เกิดประโยชน์ คือทําให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้บรรลุกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้พอมีพระอรหันตสาวกแล้วก็ก็จะ ม, มีคนที่จะมาช่วยเผยแผ่พระธรรมคําสอนต่อเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องตายไปในวันใดวันในวันหนึ่ง คือหลังจากสีส้าปีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสลุและได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สารโลกพระพุทธเจ้าก็สเสด็จ ด, ดับขันธ์ธาตุบางอนิพานไปในวัยแปสปีแต่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งมรดกอันนําค่าไว้ให้กับโลกก็คือพระธรรมคาสั่งคําสอนและพระอาหารหันตสาวกผู้ที่จะทําหน้าที่เผยแผ่เอาพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ได้ต่อไปอยู่เรื่อยๆจนมาถึงวันนี้เนี่ยการที่เรามีศาสนาพุทธศาสนาอยู่ได้ถึงวันนี้ก็เพราะว่าเรายังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และเราก็มีพระอรหันตสาวกผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะมาเผยแผ่มาสั่งสอนมาแสดงธรรมให้พวกเราได้ได้เข้าอกเข้าใจได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้หลุดพ้นพอพวกเราที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นพวกเราก็จะกลายเป็นพระอรหันตสาวกช่วงต่อไปยุคต่อไปแล้วเราก็จะทำหน้าที่แสดงธรรมเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปเผยแผ่ให้กับอนุชนนุ่นหนังที่ตามมาต่อไปอันนี้แหละที่จะทาให้พระพุทธศาสนาของเรา อยู่คู่กับโลกนี้ไปได้เป็นระยะเวลายันยาวนานอยู่ด้วยการอยู่ด้วยการมีมีธรรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและมีผู้มีพระอริยบุคคลเช่นพระอรหันตสาวกผู้ที่เข้าอกเข้าใจผู้ที่รู้วิธีการปฏิบัติธรรมันประเสริฐนี้เป็นผู้นำมาเผยแผ่สั่งสอนอยู่เรื่อยๆพระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆ ตามดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติและมีพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ที่มาคอยสั่งสอนพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพระรัตนาไตรเป็นเพชรอันประเสริฐพวกเหล่านี้จะเป็นไก่ได้พลอยหรือเป็นคนที่ คนที่ได้คนที่ได้ศึกษาเรื่องเพชรพลอยก็อยู่ที่สติปัญญาของพวกเราถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็แสดงแล้วว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าของเพชรนินจินดา mm hmm. แต่ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา mm hmm. ว่าเป็นของที่มีคุณค่าอันล้ำค่า mm hmm. มีล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีความสมาธิความฉลาดที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรไม่มีไม่ไม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็ยังไม่สายเกินไปเพราะว่าเรายังสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะได้เห็นรู้ว่า พบุทธศาสนานี้มีคุณค่าอย่างไรเหมือนกับถ้าเรายังไม่รู้จักคุณค่าของเพชรนินจินดาถ้าเรายังคิดว่าเพชรนินจินดาก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดที่เราเห็นตามถนนหนทางต่างๆเราก็ต้องไปศึกษากับพวกที่เขารู้คุณค่าของเพชรนินจินดาลองไปศึกษากับพวกที่เขาเป็นพ่อค้าขายเพชรขายพลอยดูถามเราว่าเพชรพลอยนี้มีคุณค่าอย่างไร เขาก็จะบอกให้เราทราบว่าถ้ามีเพชรพลอยนี่เราสามารถเอาไปเจรานานเอาไปทำให้มันดูน่าสวยงามเป็นเครื่องประดับที่ล้ำค่ามีคนที่ต้องการที่จะซื้อด้วยราคาที่แพงๆเพชรเม็ดนิดเดียวก้อนนิดเดียวแต่มีราคาแพงกว่าบางทียิ่งกว่าลดราคาเป็นล้านก็มีอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะรู้เรื่องของ พระพุทธศาสนาหรือไม่ดูความหมายของพระรัตนตรยหรือไม่ว่าหมายความว่าอย่างไรรัตนะนี้แปลว่าเพชรนินจินดาตรัยแปลว่าสามพระพุทธศาสนามีมีเพชรนินจินดาอยู่สามเม็ดด้วยกันเพชรอันล้ำค่าอยู่สามเม็ดซึ่งตอนนี้เหลืออยู่สองเม็ดก็เหลือแต่พระธรรมคำสอนกับเหลือกับพระอหรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ที่จะเป็นผู้ที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเราถ้าพวกเรานั้นปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ไม่มีที่ไหนที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากพระรัตนตรัยนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกความจริงพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้จากพวกเราไปอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปพระองค์ทรงตัดไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะจากพวกเธอไปแต่เป็นการเพียงจากไปเพียงส่วนที่ไม่สาคัญนั้นก็คือร่างกายของเราแต่ตัวของเราจริงๆนั้นอยู่ในพระธรรมคำสอนที่พวกเธอได้ศึกษาได้จดจากันเอาไว้ได้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละเป็นตัวตัวของเรา ถ้าถ้าเธอได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของเราที่ได้มีการบันทึกมีการจดจาเอาไว้เธอก็เหมือนกับได้ศึกษาจากเราโดยตรงดังนั้นพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังถือว่าเป็นองค์หนึ่งเป็นองค์เดียวกันทดแทนกันได้ที่ไหนมีพระธรรมที่นั่นก็มีพระพุทธเจ้าที่ไหนมีพรพระพุทธเจ้าที่นั่นก็มีพระธรรม เพระพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคําสอนนี้เป็นของที่แยกกันไม่ได้แยกกันไม่ออกสิ่งที่จากพวกเราไปนั้นเป็นเพียงเครื่องมือคือร่างกายของพระพุทธเจ้าเครื่องมือที่จะใช้ในการที่เอาธรรมะอันประเสริฐจากใจของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกเท่านั้นเองแต่สาระจริงๆของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมอันประเสริฐนี้ไม่ได้ ไม่ได้หายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงยังมีศาสดาอยู่เหมือนกับตอนที่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเรานั่ก็คือพระธรรมอันประเสริฐที่พระเจ้าได้ทรงประกาศไว้นี้อันนี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปแล้วนอกจากมีพระธรรมคําสอนอันประเสริฐแล้วยังมีพระอรหันตสาวกผู้ที่ไดร้รู้เรื่องของพระธรรมอันประเสริฐนี้ ผู้ที่ได้สามารถนำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้ไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นพระลานตสาวกก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อันนี้แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะอยู่ในโลกนี้ได้นี้จําเป็นจะต้องมีพระรัตนนาตยถ้าพระรัตนนาตยเกิดหายสาบสูญไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นการหายสาบสูญของของพระพุทธศาสนาไปถึงแม้จะมีซากของพระพุทธศาสนาอยู่เหลืออยู่ก็ตามเช่นอะไรคือซากของพระพุทธศาสนาซากของพระพุทธศาสนาก็คือถาวรและวัตถุต่างๆ เช่นวัดวาอารามต่างๆพระพุทธรูปต่างๆโบเจดีศาลาอะไรต่างๆเหล่านี้น่อาจจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็ไม่ถือว่าเป็นพระรัตนตรัยไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกนะถ้ามีแต่ซากของพระพุทธศาสนา ซาของมบุตศาสนานี้จะไม่สามารถสอนหรือทำให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวงังต้องต้องทำความเข้าใจว่าเราอย่าไปสร้างเปลือกของาศาสนากันเราต้องสร้างเนื้อเวลาเรากินผลไมน้นี้เราไม่กินเปลือกเรากินแต่เนื้อเช่นทุเรียนนี่เราไม่เอาเปลือกทุเรียนมากินกัน เราต้องปอกเปลือกเอาเอาเปลือกออกแล้วเข้าไปกินเนื้อศาสนาก็เป็นเหมือนผลไม้ศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อเนื้อของพระศาสนาก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนเปลือกของพระศาสนา ก, ก็คือวัดวาอารามต่างๆท้ า, า, าวลวัตถุต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมา แล้วก็พระพุทธรูปต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมาแล้วก็ไปประดิษฐานเอาไว้ในโบสถ์ในเจดีย์ในศาลาก็ที่เราจะได้กราบไหว้บูชากันแต่ถาวรและวัตถุเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นตัวศาสนาไม่ได้เป็นตัวพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ในพระพุทธรูปและไม่ได้อยู่ในพระภิกษุที่มาบวชกัน พระภิกษุที่มาบวชที่ยังไม่ได้ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคล น, นี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นพระรัตตนาไตรจะเป็นพระสงฆ์ที่ในพระรัตนาตรได้นี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปรือขั้นพระโสดาบัน<ม>ถึงจะถือว่าเป็นพระสังฆลัตตนได้แต่ถ้าเป็นพระที่เพิ่งมาบวชหรือบวชได้หลายปี แต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่ศึกษาแล้วแต่ไม่ได้นำมาไปปฏิบัติบางทีศึกษาเสร็จแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ต่อเลยไปสอนเลยการศึกษาอย่างเดียวนี้ไม่สามารถทำให้คนศึกษานี้ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขึ้นมาได้ไม่สามารถทำให้เป็นพระสังฆละตะนะขึ้นมาได้าการที่จะเป็นพระ อ, อริยบุคคลเป็นพระสังฆละตะนะนี้ ต้องมีทั้งการศึกษาและมีการปฏิบัติด้วยถึงจะสามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังฆละตะนะัตตาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาขึ้นแบบนะั้นเป็นหัวใจหรือเป็นเนื้อของาศาสนาขึ้นมาได้สมัยนี้เรามักจะหลงกันหรือไม่เข้าใจกันเราไปคิดว่าการสร้างวัดวารามต่างๆ สร้างถาวและวัตถุต่างๆแล้วก็มีการจัดพิธีบวชกันเป็นร้อยเป็นพันกันนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมเนื้อของพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมส่งเสริมเปลือกของพระศาสนาถ้าเรามุ่งไปที่เปลือกนี้เราจะไม่ได้เนื้อในยุคพุทธกาลนี้ท่านมุ่งไปที่เนื้อกันสมัยพระพุทธเจ้า เผยแผ่ธรรมานิยมพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวไม่เคยสร้างพระพุทธรูปไม่เคยสร้างถาวรและวัตถุอะไรต่างๆพระองค์ทรงทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างพระอริยบุคคลสร้างพระโสดาบันพระสกิราคาพระอนาคาคาและพระอรหันด้วยการแสดงธรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันวันละสามสี่ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่าย ทรงแสดงธรรมให้แก่ศรัท ธ, ธาญาติโยมคารวะผู้คลองเรือนยามค่ําก็ทรงแสดงธรรมให้กับนักบวชคือภิกษุภิกษุณีสั ม, มเนยสั ม, มเนรี<ม>แล้วก็ในยามดึกก็ทรงแสดงธรรมให้กับเทวดา<ม>แล้วในช่วงเช้าก่อนจะทรงออกบินธบานก็ทรงเล็งยานดูว่าจะมีใครที่ควรที่จะไปแสดงธรรมโปรดในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษ ถ้าเขาถ้าทรงเห็นว่าเขามีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่เขาอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เขาจะต้องสิ้นชีวิตไปในเวลาอันสั้นอันใกล้พระองค์ก็จะทรงมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษก่อนช่วยให้เขาได้หลุดพ้นให้เขาได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาว ก, ก่อนที่เขาจะตายจากโลกนี้ไปเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกในปัจจุบัน ในชาตินี้ถ้าเขาตายไปนี้กว่าที่เขาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้เขาก็อาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้แล้วถ้าไม่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยอันนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทรงพุ่งไปทรงเน้นให้ความสาคัญคือการสร้างเนื้อของศาสนาเพราะ เนื้อศาสนานี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขให้ประโยชน์แก่จิตใจของผู้ที่หิวโหยต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง mm hmm. เหมือนกับที่เราหิวโหยกับเนื้อของทุเรียนเราเวลาเห็นทุเรียนนี้เราไม่ได้คิดถึงเปลือกเราไม่คิดที่จะกินเปลือกเราคิดแต่จะกินเนื้อเ mm hmm. พราะเนื้อมันเป็นสิ่งที่ให้รสชาติอันโอชะให้ความสุขให้ความอิ่มเอิบกับเรานั่นเอง mm hmm. ในศาสนาพุทธนี้ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่จะทําให้พวกเราได้มีความอิ่มเอิบใจได้มีความสุขใจได้มีความหลุดพ้นจากความทุกข์จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องต้องได้เนื้อของพระพุทธศาสนามารับประทานกันอย่าไปกินเปลือกกันอย่าไปสร้างเปลือกกันพระพุทธเจ้าไม่สร้างวัดสร้างแต่อย่างที่ได้ทรงสแสดง พุทธกิจห้าเนี่ยหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันนี่มีอยู่ห้าข้อใหญ่ๆสแสดงธรรมโปรดตอนบ่ายตอนค่ำตอนดึกแล้วก็ตอนเช้าก่อนจะออกบินทบาทแล้วก็ออกบิณทบาตเนี่ยมีภารกิจอยู่ห้าข้อด้วยกันไม่มีภารกิจว่าจะไปสร้างพระพุทธรูปที่ตรงนั้นจะไปสร้างวัดที่ตรงนี้จะไปปลูกเสกพระที่ตรงนั้นจะไปนั่งปลุกนั่งเสกนั่งเป่าถาวรและวัตถุอะไรต่างๆ อันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยทำมาก่อนเพราะท่านรู้ว่าของพวกนี้มันเป็นเปลือกของศาสนามันไม่สามารถยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องให้เนื้อเขาต้องให้เนื้อก็คือธรรมะอันเลิศอันประเสริฐธรรมะที่ทรงแสดงไว้ใครได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วสามารถนามาไปปฏิบัติได้ ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในยุคแรกๆของการแสดงธรรมของการเผยแผ่ธรรมนี้พระพุทธเจ้าใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนคือตั้งเริ่มต้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันที่ทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคียแล้วทําให้พระปัญจวาคัคคีบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้ารูปหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงใบโปรดพวกนักบวชตามสำนักต่างๆ ทุกครั้งที่ไปทรงแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชตามสำนักต่างๆพวกนักบวชที่มาฟังธรรมก็บรรลุเป็นผ้าอาหนรกกันขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเพียงในระยะเวลาเจเดือนคือวันเพนเดือน8ถึงวันเพนเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาฆาบูชานี้ก็ปรากฏมีผ้าอาหนร์อย่างน้อย 1,250 รูปที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุเป็นผ้าอาหนัก หลังจากที่ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ไปเผยแผ่ธรรมให้กับผู้อื่นท่านเหล่านี้ก็มีวันหนึ่งมีความคิดที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ารำลึกถึงพระคุณอนเปริฐของพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมีอย่างน้อยหนึ่รูปด้วยกันเนี่ยระยะเพียงเจเดือนเท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าสามารถผลิตเนื้อของศาสนาได้ถึงหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปในสมัยปัจจุบันนี้พวกเรามีพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปอยู่ในโลกนี้หรือเปล่ปปาอยู่ในประเทศเราหรือเปล่ปปาหรือมีแต่วัดที่เป็นหมื่นเป็นแสนวัดด้วยกันมีพระพุทธรูปที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนองค์แต่พระพุทธรูปหรือวัดเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้น ต้องมีผู้ที่รู้ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายและมีพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาเป็นคําสั่งคําสอนทําไมเราต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าทําไมเราไม่เอาคําสอนของพระอรหันตสาวกเพียงอย่างเดียวก็เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าพระรูปไหนเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์นั่นเอง การที่เราจะรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ต้องดูที่คําสอนของท่านว่าท่านสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหรือไม่ <Yes. S 2> เราจึงต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบมาเป็นเครื่องวัดคําสอนของพระที่แสดงธรรมถ้าพระที่แสดงธรรมนั้นทรงที่ที่แสดงธรรมเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงไว้เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาให้สอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยแล้วถ้าพระที่บางสอนนี้ไม่เรามาสอนทานศีลภาวนาหรือสอนไม่ครบหรือสอนสอนน อ, นอกเรื่องนอกราวสอนให้ไปไปแก้กรรมไปทําอะไรต่างๆด้วยน้ำมนตด้วยการปลุกเสกด้วยการอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะได้รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า และคนที่สอนนี้จะไม่เป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเพราะพระอาหารหันต์นี้จะไม่ได้สอนให้เราพวกเรามาแก้กรรมกันพวกพระอาหารหันต์นี้สอนให้เรามาหยุดการกระทำกรรมที่ไม่ดีกันให้ละการกระทำบาปให้เรามาทำแต่กรรมที่ดีเรียกว่าทำบุญและให้เรามาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้มีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรที่จะศึกษาเอาไว้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องตรวจสอบคําสอนของพระต่างๆที่มาแสดงธรรมให้เราฟังว่าพระที่มาแสดงธรรมให้เราฟังนี้แสดงธรรมตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้แสดงหรือไม่ ถ้าแสดงเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้แสดงก็จะได้รู้ว่านี่เป็นพระที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะได้ไม่ต้องไปหลงทางไปเชื่อไปตามเขาเพราะว่าถ้ามนุษตัวเขาเองยังหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เขาจะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษา ในเบื้องต้นก็คือศึกษาพระสูตรสาคัญสำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีไม่มากมีแค่ห้าห้าสี่ห้าพระสูตรก็พอที่จะทำให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนั้นมีอะไรบ้างทีน่นเราศึกษามงคลสามสิบแปดสามสิบปดข้อที่จะนำให้เราไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีอะไรบ้าง เ็นการไม่ครบคนโง่ให้ครบคนฉลาดให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นมงคลเป็นการนำพาจิตใจของเราให้ก้าวขึ้นสู่ความสุขความเจริญและให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปศึกษามงคลละสูตรศึกษาธรรมจักรกับประวัตนาสูตรธรรมจักรนี้เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงให้กับพระพระปัญจวคี ที่ทําให้พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระสาวเป็นพระ อ, อริยสงสาวกกันนะทรงแสดงสองพัสูตรใหญ่ๆให้กับพระปัญจวัคคีย์ธรรมาจากกับอนัตตลัก น, นะนัสสตรพอหลังจากแสดงเสร็จพระพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์ขึ้นมาแล้วก็ทรงแสดงวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ได้บรรลุทำขั้นต่างๆก็คือให้ ทรงแสดงในสติปัฏฐานสูตรให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติจิตภาวนาด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาตามลำดับไปนี้คือคำสอนของพระพุทเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนควรที่จะรู้กันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปศึกษากับพระอาจารย์รูปต่างๆแล้วเราก็จะได้สังเกตดู ว, ว่า คำสอนของพระ อ, อาจารย์ที่เราไปศึกษานั่นท่านสอนตรงกับทีพ่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าสอนในเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเราก็จะได้รู้ว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระรัตนาไตายที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราได้ไม่สามารถสอนให้เราหลุดพ้นได้เพราะคำสอนของท่านขัดกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เราไปศึกษากับผ้ า, าจารย์ต่างๆนี่เราจะไม่รู้ว่าท่านสอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือสอนขัดกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะหลงทางไปกับคนสอนก็ได้คนสอนเองก็หลงไม่ได้หมายความว่าท่านมีเจตนาที่จะมาหลอกเราแต่อย่างใดท่านก็สอนไปตามความเข้าใจของท่าน แต่ความเข้าใจของท่านนั้นอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนท่านก็อาจจะไปศึกษาจากอาจารย์อีกรูปหนึ่งมาก่อนและอาจารย์รูปนั้นก็ไม่ได้ศึกษาจากพระไม่ได้ศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าศาสนาของเรานี้อยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วต้อง 2,500 กว่าปีด้วยกัน บางทีบางคนก็ไม่มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือได้เมื่อไม่อ่านหนังสือได้ก็ไม่สามารถไปอ่านหนังสือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกได้ก็ต้องอาศัยอาจารย์ที่เขาไปบวชไปศึกษาไปอยู่ด้วยเป็นอาจารย์สอนซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่เขาสอนนี้เป็นพระเป็นพระลัตนไตายหรือไม่เป็นพระสังฆลัตตนาหรือไม่เพราะว่า ตัวเราเองก็ไม่ได้ไปศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยนี่คือเรื่องของการที่เราจะเข้าถึงพระรัตนไตรัยนี้เราต้องเข้าไปหาที่พระพุทธเจ้าก่อนไปหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อเราจะได้รู้ความสอนที่ถูกต้องแม่นยําว่าเป็นอย่างไรแล้วทีนี้เราก็ไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆให้ท่านมาช่วยสอนให้เรา ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยาต่อไปแต่ถ้าท่านสอนในแนวทางที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วมันไม่เกิดผลเราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่ได้สอนไม่ได้สอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนมาเราจะได้เปลี่ยนอาจารย์ได้ไปหาอาจารย์รูปใหม่ไปศึกษากับคนที่รู้จริงเห็นจริงยนดีกว่าไม่เช่นนั้นเราก็จะเสียเวลาแล้วเราก็จะ ไม่ได้ผลที่เราต้องการแทนที่จะได้เนื้อกับอาจจะได้เปลือกก็ได้เพราะบางทีก็ไปเจออาจารย์ให้สอนแต่ให้ใ ห, ให้เราสร้างแต่เปลือกกันให้เราสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ให้เราสร้างพระพุทธรูปสร้างสาวรวัตถุต่างๆแล้วก็จัดจัดพิธีกรรมอะไรต่างๆใหญ่โตมาโหรานคนมากันเป็นหมื่นเป็นแสน แต่นี้มันเป็นเรื่องของการการสร้างเปลือกไม่ได้เป็นการสร้างเนื้ อ, อการสร้างเนื้อนี้จะสอนให้ไปเปรียบวิเวกกันให้ไปถือศีลรักษาศีลศีลแปดแล้วก็ไปอยู่เปลีกวิเวกอยู่ในที่สงบสงัดไปเจริญสติไปควบคุมจิตใจให้หยุดคิดหยุดปรุงแต่งแล้วก็ให้ทําใจให้สงบนิ่งให้เกิดความสุขจาก จากการได้นั่งสมาธิเพราะความสุขจากการได้นั่งสมาธินี้จะเป็นพลังของจิตที่จะทำให้จิตสามารถที่จะไปะยับยั้งต้นเหตุของความทุกข์ของใจได้ก็คือความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆมันจะถูกกำจัดไปหมดได้ด้วยการที่ทำใจให้สงบในเบื้องต้นก่อนเพราะเวลาที่ใจสงบนี้ความโลภความโกรธความหลงนี้จะไม่ สามารถทำงานได้เพราะว่าการทำงานของความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องอาศัยการทำงานของใจคือต้องอาศัยการคิดของใจถ้าใจไม่นึกไม่คิดแล้วก็กิเลตคือความโลภความอยากต่างๆมันจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราทำสมาธินี้เราต้องการที่จะที่จะหยุดความโลภความโกรธไว้ชั่วคราวก่อนแล้วเราจะได้เห็นคุณค่า เวลาที่ความโลภความโกรธมันไม่ทํางานนี้มันทําให้ใจของเรานี้เยน็นทําให้ใจของเราสบายมีความสุขเราจะได้เห็นโทษของการไปทําตามความโลภทําความความอยากต่างๆถึงแม้เราจะได้สิ่งที่เราโลภเราอยากได้มาแต่สิ่งที่เราโลภเราอยากได้มานี้มันไม่มาดับความทุกข์ในใจของเราได้นอกจากไม่ดับความทุกข์แล้วมันเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราอีก ขึ้นมาอีกเสียด้วยซ้ําไปเช่นถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขพอเราได้มาเราก็ดีใจสุขตอนได้มาใหม่ๆก็ดีใจแต่พอได้มาแล้วทีนี้เราก็ต้องรักต้องหวงนล้วสิเราก็ต้องหวงเราก็ต้องกังวลว่าสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เรารักเราชอบนี้จะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือไม่ จะสูญหายไปหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอเวลาเปลี่ยนไปหรือสูญหายไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นความแตกต่างของของการมีกิเลสกับของการไม่มีกิเลสว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทําใจให้เราสงบนี้เราจะไม่เห็นเพราะใจของเรานี้มันจะเวลาใจไม่สงบนี้กิเลสของเราทํางานอยู่ตลอดเวลา แล้วมันก็จะหลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆตลอดเวลาหาได้สิ่งนี้แล้วมันก็จะหลอกให้เราไปหาสิ่งใหม่ต่อเพื่อที่เราจะได้มีเหมือนกับมีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราแต่เวลาไหนที่เราไปสะดุดเข้าเมื่อไหร่ไม่สามารถไปหาสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้เวลานั้นเราถึงจะเห็นความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราสามารถทาใจของเราให้สงบให้นิ่งได้นี่เราจะรู้ว่า เราเนี้ยจะเวลาเราอยากจะมีความสุขนี้เราทําอย่างไรเราก็เพียงแต่ไปทําใจให้สงบให้นิ่งเท่านั้นเองไปฝึกสติควบคุมความคิดนีหยุดความคิดให้ได้พอหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะเย็นใจก็จะสบายมีความสุขขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมี ของนั้นของนี้ไม่ต้องมีบุคคลบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราเลยอันนี้แหละเป็นความสุขที่วิเศษที่มันมีอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราไม่รู้กันเรามัวแต่ไปหลงหาความสุขจากการไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ดีอกดีใจไปกับมันชั่วประเดียวประดาวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไปเราก็ต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆ ไปซื้อของใหม่ก็อยู่เรื่อยๆวันนี้ซื้อของวันนี้ดีใจไปวันสองวันเดี๋ยวก็รู้สึกเหงาแล้วรู้สึกว่าขาดอะไรไปแล้ว<ม>ก็ต้องไปซื้อของใหม่เพื่อจะได้มีความรู้สึกมีความสุข<ม>ก็ต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆคอยหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดไม่สามารถที่จะซื้อหรือจะหาได้เวลานั้นก็จะเป็นวันของความซึมเศร้าตามมามเวลาที่เราไม่สามารถหา อะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้เราจะมีความรู้สึกทุกข์มาก ร, รู้สึกเศร้ามากรู้สึกเหงามากจนทําให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรารู้จักการหาความสุขที่มีอยู่ในตัวของเรานี้เราจะสามารถป้องกันความทุกข์อาการซึมเศร้าต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้ <Yeah. S 1> ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็ไปเปลียกวิเวก ไปหาที่สงบอยู่ตามนำพังไปควบคุมจิตไปหยุดความคิดต่างๆอย่าปล่อยให้จิตมันคิดให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้เกิดความอยากความโลภขึ้นมาเพราะเวลาจิตไม่นิ่งนี่ความโลภความโกรธความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้ามันมันโลภมันอยากแล้วมันไม่ได้มันจะสร้างความทุกข์สร้างความหงุดหงิดสร้างความอึดอัดใจขึ้นมาสร้างความเศร้าเศร้างงอยเงาขึ้นมา แต่ถ้าเรารู้จักวิธีหยุดความคิดได้ทําใจให้นิ่งให้สงบได้ความอยากความโลภต่างๆมันจะทํางานไม่ได้เวลามันทํางานไม่ได้มันก็ไม่สามารถมาสร้างความทุกข์สร้างความหมุนหินลําคาญใจให้กับเราเราก็จะอยู่อย่างเย็นอย่างสบายเพียงแต่ว่าการที่เราหยุดความคิดด้วยการใช้สตินี้เป็นการหยุดได้เป็นเป็นครั้งเป็นคราว เราไม่สามารถทำให้กิเลสด้วยความโลภความอยากนี้มันหายไปได้หมดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเริ่มคิดเราต้องต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็น <c oughs> สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทาให้เราไม่ให้เกิดความโลภความอยากขึ้นมา ในขณะที่เราออกจากสมาธิในขณะที่เราไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องสอนใจให้เราเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เราไปรับรู้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นของชั่วคราวเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดแล้วดับไม่ช้าก็เร็วก็ต้องดับไม่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่ไปตลอดเวลา สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่เราได้ยินด้วยหู ม, มันเกิดแล้วมันก็ดับทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นของที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้มันเป็นเหมือนดินฝ้าอากาศ เราไปควบคุมเสียงไม่ได้เยเสียงนกบางกีบางทีก็ร้องขึ้นมาบางทีก็ไม่ร้องขึ้นมาเราไปอยากให้มันไม่ร้องเราก็จะทุกข์กับมันแต่ถ้าเรารับว่ามันเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปอะไรมันจะดับก็ต้องปล่อยมันดับไปเนี่ยเสียงใหม่ปรากฏขึ้นไหม่แล้วแต่เราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขาจะโผล่ขึ้นมาก็ปล่อยเขาโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะหยุด <_ d ans> เขาก็หยุดของเขาไปเองถ้าใจเราไม่มีความโลภความอยากกับเรื่องเสียงต่างๆใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องเสียงถ้าเราไม่มีความโลภความอยากกับเรื่องรูปต่างๆเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องรูปที่เราเห็นด้วยตาของเรา <_ d ans> เราจะเข้าใจว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาที่จะสอนใจ ที่จะคอยควบคุมความโลภความอยากต่างๆไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าความโลภความอยากปรากฏไม่ปรากฏขึ้นมาความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆก็จะไม่เกิดเราเห็นอะไรเราก็จะ <ๆ S 1> เฉยๆได้เห็นคนนั้นเขาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาล่ำเขาโดยวเราก็ไม่เราก็จะไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาเ็าเป็นเขาตายเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะเราจะมองเห็นเขาว่าเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ เราเราจะไม่มีความทุกข์ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องหัดใช้ปัญญากันพยายามสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้บางครั้งเราอาจจะควบคุมบังคับได้แต่บางครั้งเราก็จะควบคุมบังคับไม่ได้เช่นร่างกายของเรานี้ บางทีเราก็ยังเราก็ควบคุมมันได้บางทีก็รักษาให้มันแข็งแรงได้รักษาให้มันมีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้แต่วันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ได้เราไม่สามารถที่จะรักษาให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยได้เลยเป็นไปไม่ได้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งร่างกายมันก็จะต้องเจ็บขึ้นมาความแก่เราก็ห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องแก่ของมันไปเรื่อย และความตายก็เช่นเดียวกันมันถึงเวลามันก็จะต้องตายไปแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปอย่าไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ ไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่ตายนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาในการที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอันนี้แหละเป็นวิธีการที่ดีที่สุดขั้นสูงสุดคือการใช้ปัญญาแต่ก่อนที่เราจะสามารถมาถึงขั้นปัญญาได้เราต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนต้องหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อน เพราะถ้าเราทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้เราจะไม่สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้นิ่งให้สงบได้ปัญญาเพงจะบอกให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากจะไปย e <อ>ุ่งเกี่ยวด้วยนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปดังนั้นเราต้องฝึกสมาธิก่อนพอปัญญาบอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเสียงที่กาลังเกิดขึ้นนี้ มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเราไม่ต้องไปสนใจมันจะไม่ทำให้ใจเราลำคาญแต่ถ้าเราอยากให้มันหายเราไม่ชอบมันอยากจะให้มันไปพอมันไม่ไปนี่มันจะทำให้ใจเราลำคาญขึ้นมาทำให้ใจเราไม่สบายได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันเพราะนี่คือเนื้อของพร ะ, พระศาสนาคือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจาก การที่เกิดจากกิเลสที่มีอยู่ภายในหัวใจของพวกเรานี้เความทุกของพวกเราทั้งหลายนี่มันไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหนมันไม่ได้เกิดจากเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้เกิดจากรูปที่เราเห็นมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าเราปล่อยมันไว้เฉยๆเราไม่ไปยุ่งกับมันนี้ใจเราจะไม่ทุกข์เลยความทุกข์ของเราเกิดจากใจของเราที่ไปยุไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเราพอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยทุกข์กันนี่แหละคือการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติตด้วยสติด้วยปัญญาใช้สติหยุดความคิดแล้วใช้ปัญญาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้นี้เป็นของที่เราไม่ควรไปยุ่งกับเขา พอาเราไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องอยู่เหนือคาสั่งของเราอยู่เหนือความสามารถของเราแล้วถ้าเราอยากจะไปควบคุมเขาบังคับเขาเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจกันแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปควบคุมเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เราปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาใจของเราก็จะไม่ทุกข์อีกอันนี้แหละคือ เนื้อของศาสนาอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์และจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องอยู่การเข้าการเข้าถึงพระพระัระตนตัยให้ได้เราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกเป็นผู้ที่จะมาสอนผู้ที่จะนําพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันยะได้อย่างถูกต้องแม่นยําที่สุดถ้าเราไม่ศึกษาของคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราไปศึกษาจากอาจารย์องค์อื่นๆ เราอาจจะไม่ได้อาจารย์ที่ได้หยุดพ้นแล้วก็ได้เพราะเราจะไม่รู้ว่าท่านสอนตามที่พุทธเจ้าทรงสอนหรื Or อไม่แต่ถ้าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าก่อนหาก็ทํารมาำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเรียนรู้ให้รู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วเราค่อยไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆเราดูซิว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าท่านทรงสอนก็สแสดงว่าท่านสอนถูกต้องเราก็ศึก ษ, ษา ก, กับท่านได้ ถ้าท่านไม่สอนตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนไม่ถูกเราก็อย่าไปเสียเวลาเรียนกับท่านเลยเพราะเราจะไม่ได้ผลที่เราต้องการกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละคือเรื่องความสําคัญของพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปรียบเป็นเหมือนกับเพชรเนินจินดาเป็นพระรัตนตรัยเป็นเพชรสาเม็ดที่มีคุณค่าราคายิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ สิ่งของต่างๆในโลกนี้จะมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถมากาจัดความทุกข์ที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้แต่ถ้าเราได้เพชรสาเม็ดนี้เม็ดใดเม็ดหนึ่งได้พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาเป็นครูมาเป็นอาจารย์สอนเราให้เราปฏิบัติเราจะได้สิ่งที่มีคุณค่าล้าค่าที่สุดในโลกนี้คือวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไปถึงพระนิพพาน การที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดการที่มีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์เข้ามาเลยไปตลอดอนันตการนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าหากันคือเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปเข้าหาเปลือกของศาสนาอย่าไปหาโบสถ์หาเจดีหาพระพุทธรูปกันสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อของพระพุทธศาสนาเนื้อของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันได้จึงเอามาฝากท่านไว้สำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปริกุเรนติสาคลังเอวามวะอิโตทินังเปตานาังอุปกัปติ อิชิตังปัทธ um ิตังสุมหังคิดเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราสุยะาเมณิโชติราสุยะาสัพพีติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตาโรโธมาวะทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเวลาอื่นจะไม่สะดวก เดี๋ยวหลังจากเลิกแล้วจะต้องทำเรื่องราวอย่างอื่นอีกก็เลยจะสะดวกช่วงนี้ช่วงเดียวใครอยากจะถามอะไรจะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้เราจะมีทีมงานนำเอามาอ่านให้ฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คะกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ573ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์301ท่าน YouTube ดรวี91วิทยุออนไลน์ YouTube, v, 91, online, 5ครับ h o า s e 9นาคุด182รวมทั้งหมด 1,161 ท่านค่ะคำถามจาก คำถามจากยูทูบด็อร์วนะคะผมบวชอยู่กับครูอาจารย์ไม่กล้าขอโอกาสช่วยอุปถัมภ์ครูอาจารย์มีความคิดที่ว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นแต่ก็ชอบมาคิดว่าควรไปช่วยหรือไม่อย่างไรผมเลยไม่ค่อยได้อุปถัมภ์ครูอาจารย์ครับความจริงครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ต้องการให้นํามาอุปถัมภ์ท่านเลยตรงหรอกเพียงแต่มาดูคนสองคนก็พอแล้วไม่ต้องมาทั้งวัดหรอ งั้นส่วนใหญ่ท่านต้องการให้เราไปปฏิบัติกันมากกว่าเห็นถ้าเราไปปฏิบัตินี้เราถือว่าเราได้อุปถาเราได้บูชาท่านเพราะการบูชาครูบาอาจารย์ที่แท้จริงคือการปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์นี้ท่านรับเรามาเพื่อต้องการให้เรามาศึกษามาปฏิบัติให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้หลุดพ้นถ้าเรามัวแต่มาคอยอุปถาท่านเราก็จะไม่มีเวลาไปศึกษาไม่มีเวลาไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นถ้าเรากไปปฏิบัติโดยที่ไม่ได้มาอุปถักต์ท่านเนื่องจากว่าเราเห็นว่าท่านก็มีคนดูแลอุปถักต์พร้อมเพรียงอยู่แนละ้วเราก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ยกเว้นว่าท่านไม่มีใครดูแลเลยไม่มีใครเหลียวแลเลยอย่างนี้เราก็ต้องเข้ามาดูแลดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการอุปถักต์มากจนเกินไปถ้ามีโอกาสสมควรที่จะอุปถักต์ก็ทําไปถ้าไม่มีโอกาสเราก็เอาเวลาไปปฏิบัติ เพราะการบวชการศึกษาการกับอยู่ครูบาจารย์นี้เป้าหมายหลักอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การอุปถา mm hmm. อุปถาานี้ก็เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่ไม่จําเป็นไม่ไม่สําคัญเท่ากับการไปปฏิบัติด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้น mm hmm. ไม่ต้องกังวลเรื่องอุปถาครูบาจารย์เราอยู่กับหลวงตาก็ไม่ได้อุปถาท่านโดยตรง mm hmm. แต่ท่านก็ใช้เราเป็นกรณีท่านก็หางานให้เราทําอยู่เรื่อยๆ โดยที่เราไม่ต้องไปขอา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคนอื่นก็อยากจะไปรับใช้ท่านเยอะแยะไปหมดร้อมๆกันเป็นหลายลูกหลายองค์เราก็ไม่ค่อยชอบไปทําอย่างนั้นเราก็เอาเวลาไปปฏิบัติดีกว่าแต่ท่านก็เห็นว่าเราก็ควรที่จะทําอะไรบ้างท่านก็เลยมอบมอบงานให้เราทําอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเราเป็นคนมีหน้าที่เป็นคนจัดส่งหนังสือญาติโยมเขียนเขียนจดห ม, มายมาขอหนังสือจากหลวงตาท่านก็เอาจดหมายมาให้เรา แล้ท่านก็บอกว่าจัดหนังสือไปตามที่เขาขอเราก็ต้องมานั่งขอมานั่งเขียนแล้วก็ส่งไปทางไปเสนีย์ให้กับท่านเราก็เลยมีหน้าที่อุปถัมภท่านโดยทํารับใช้งานที่ที่ท่านให้เราทําแต่เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปกวาดถูกรปติไม่ได้ไปล้างบาศไม่ได้ไปซักจีวร อ, อะไรให้กับท่านแต่ก็พ่อมีคนทําอยู่แล้วมันก็เลยไม่จําเป็นเราก็เลยเน้นเรื่องของการปฏิบัติบูชา ปฏิบัติเพื่อให้เราได้ได้ทําหน้าที่ที่เราต้องการจะทําการมาบวชนี้ต้องเราต้องการมาปฏิบัติต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าการอุปถากรูบาจารย์แล้วทําให้หลุดพ้นได้ก็จะทําแต่ไ ม, ไม่ไม่หลุดนะอย่างพระอน์นี่ใช่ไหมพระอนุนนี่อุปถาโคตรเจ้ามาต้องยี่สิกว่าปีก็ไม่บรรลุเลยไม่หลุดพ้นเลยติดอยู่เป็นพระโซดามันต้องยี่สิกว่าปีมั้ จนหลังจากที่ผู้เจ้าตายไปแล้วนั่นแหะพระนรจึงมีเวลาไปปฏิบัติพอปฏิบัติจริงๆสามเดือนก็บรรลุได้เนี่ยขอให้เราดูที่การปฏิบัติเป็นหลักการบูชานี้พระเจ้าบอกการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดเลิศยิ่งกว่าการมาทําอุปปอุปอปอปธรรมอุปถาอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาอามิสซบูชา มันได้ประโยชน์ไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาคำถามจากทางหน้ากุดค่ะ น, น, นั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจแต่น้ำลายมันไหลออกมาเรื่อยๆในขณะที่เราดูลม จะปล่อยให้มันไหลหรือกลืนคะแต่วันก่อนปล่อยให้ไหลลงมาค่ะก็เราไม่ดูลมไปดูน้ําลายมันก็ไหลเลยเอย่าไปดูน้ําลายให้ดูลมแล้วมันจะไม่ไหลน้ําลา ย, ลายพอพอรู้ว่าจะไปดูน้ําลายก็เรียบเดินกลับมาดูลมใหม่อย่าไปดูน้ําลายปล่อยน้ําลายไปตามเรื่องของมันมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปแต่ถ้าเราดูลมอันนี้มีคําถามทางนี้สองใบมาทางนี้นะ่ง ขอบพระคุณครับพูดดังๆหน่อยครับผมขอบพระคุณครับ อ, อยากสอบถามครับอพอเวลานั่งแล้วนิ่งนิ่งไปแล้วไปถึงจุดที่ดิ่งลงไปผมไปคลายอยู่ที่ห้องมืดๆนะครับแล้วผมไปต่อไม่เป็นครับว่าต้องภาวนาต่อหรือว่าต้องต้องอกําหนดรู้ยังไงครับคือการนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจมันว่างมันนิ่งมันสงบมันจะมืดแล้วจะสว่างไม่สําคัญสํา ค, คัญที่มันนิ่งหรือไม่นิ่งครับ ถ้ามันไม่คิดมันไม่มีอารมณ์อะไรมันสบายมันเย็นก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นมันนานนั่นคือการนั่งสมาธิไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้อะไรทั้งนั้นต้องการความนิ่งความสงบเพียงอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเมื่อมันนิ่งมันว่างมันเย็นมันสบายแล้วก็พยายามรักษาให้มันอยู่อย่างนั้นเป็นนานๆส่วนเรื่องปัญญานี้เราต้องรอให้เราออกจากสมาธิมาก่อนเรามาศึกษาเพรามาปัญญาก็คือศึกษาศึกษาธรรมชาติร่างกายของเรา ว่าร่างกายนี้มันเป็นตัวเราหรือมันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟอันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมันเกิดมาแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่าหรือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ต้องทําตอนที่ออกจากสมาธิมาทําคนละเวลากันแล้วต่อไปเราก็จะได้มองเห็นอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายมองเห็นอนัตตาว่าร่างกายไม่มีตัวตนร่างกายเป็นเพียงดินน้ําลมไฟอันนี้เป็นการเจริญปัญญา แต่ไม่ได้ทําในขณะที่เรานั่งสมาธิแยกกันแยกกันออ ก, ก, กเป็นเป็นวิชาคนละภาคกันเรียนกันคนละคาบนะชั่วโมงนี้เรียนสมาธิอีกชั่วโมงก็ไปเรียนปัญญา อ, อยากไปเรียนส อ, สองวิชาพร้อมกันมันขัดกันโอ้ไ่น่าเข้าใจไหมครับผมเดีย๋ยวนั่งสมาธิต้องการนิ่งอย่างเดียวให้มันเข้าไปในห้องมืดห้องว่างที่มันสงบเย็นสบายแล้วให้มันเย็นสบายไปนาน เพราะมันจะทำให้เรามีความสุขและไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาจะได้เอามาเรียนหนังสือได้ผมดูว่าต้องภวนาต่อขอบคุณครับนะต้องแยกกันปัญญากับสมาธิทำคนละเวลาไม่ได้ทำพร้อมกันครับคำถามจากทางน้กกุศเข้อถัดไปนะคะ เวลาฝืนนั่งเกินชั่วโมงคือไม่ไหวแล้วให้ทนต่อหรือพอคะคือเหงือแตกร้อนเจ็บไปหมดแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อดีคะถ้าอยากจะก้าวหน้าก็นั่งต่อไปแล้วขยันพุทโธพุทโธนั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปมันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปคิดว่าเรากําลังอาบอบนวดก็แล้วกันเข้าห้องเข้าห้องอบแล้วก็นกัองปล่อยมันปล่อยมันร้อนไปปล่อยให้มันเหงื่อแตกไปแต่เราจะนั่งต่อไปเราจะ ถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราต้องฝืนเราถึงถึงถึงจุดที่จะนั่งไม่ได้แล้วที่เราต้องขยันพุทโธแล้ว้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าหยุดพุทโธแล้เดี๋ยวสักพักหนึงใจมันก็จะสงบลงแล้วก็จะนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเรายอมแพ้ทุกครั้งที่เรามาถึงจุดนี้เราก็จะยกธงขาวเราก็จะไม่ก้าวหน้านั่งได้แค่นั้นถ้าเราอยากจะนั่งได้มากกว่านั้นเราต้องต้องต้องดันมันต้องดันทุรัเรศ ต้องต้องต้องบังคับต้องบังคับให้มันนั่งต่อด้วยการใช้พุโทโธบังคับมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านแล้วต่อไปมันจะนั่งได้ยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้คำถามจากคุณอัจชราค่ะข อ, อน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ขอถามเกี่ยวกับศีลห้าเช่นข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ถ้าเราแค่คิดในใจว่าเราอยากฆ่าแต่เราไม่ได้ฆ่าจะบาปหรือไม่คะ บาปยังไม่สําเร็จนะจะสําเร็จได้คือหนึ่งต้องคิดก่อนแล้วมีการกระทําแล้วมีว ม, มีผลมีการเสียหายหเกิดขึ้นเช่นคิดอยากจะฆ่าแล้วเปลี่ยนใจไม่ฆ่าก็ยังไม่เป็นบาปและคิดอยากจะฆ่าแล้วไปลงมือแต่ฆ่าไม่ตายก็ยังไม่ยังไม่สำเร็จเพียงแต่ทำให้เขาบาดเจ็บนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการฆ่าต้องต้องต้องมีสามส่วนพร้อมกันต้องคิดแล้วต้องทําแล้วต้องมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะบาทก็จะครบองค์ค่ะคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะขอถามว่าการถือศีล8ปส่องกระจกผิดไหมคะส่องกระจกถ้าดูหนะ้าเช็กว่าสวยงามหรือไม่ก็ผิดแต่ถ้าดูว่ามันไม่สบายมันเป็นอะไรก็ไม่ผิดแค่ตาตาละมัวมองไม่เห็นอาจจะต้องส่องกระจกดูว่ามันเป็นอะไร ถ้าดูเพื่อรักษาไม่เป็นไรดูได้แต่ดูเพื่อดูว่าเราสวยงามหรือไม่อย่างงี้ไม่ควรดูแต่ก็อาจจะดูว่าเราเรียบร้อยหรือไม่นี้ก็ดูได้เช่นขี้ตามันยังติดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรทำงี้ก็ดูให้มันเรียบร้อยผมเ้าเรียบร้อยหรือเปล่านี้ก็ดูได้แต่อย่าดูว่าเราสวยรางามหรือไม่ไม่สวยเราควรจะเพิ่มให้มันสวยให้มันงามขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ก็เป็นกิเลสความนักความสวยงาม น, นี้เป็นกิเลสแต่การเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายนี้เป็นเป็นธรรมเป็นของจาเป็นที่จะต้องคอยดูแลร่างกายค่ะคําคถามจากคุณ ส, สัชวิมลค่ะนั่งสมาธิแล้ว เ, เอ็นไปข้างหลังเจ้าค่ะต่หนูก็พยายามนั่งจนเกือบที่ท่านอาจารย์เทศจบแต่ก็ไปรู้สึกถึงเรื่องหลังเอ็นตลอดเวลาแบบนี้หนูควรทําอย่างไรเจ้าคะมันก็เป็นผลจากที่สติเรามีไม่มาก พอเรานั่งแล้วสติเราไม่มีมันก็เลยควบคุมบังคับร่างกายให้อยู่เฉยๆไม่ได้ให้มันก็เลยเอนไปตามเรื่องของมันแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจเวลาที่เรานั่งสมาธิก็ปล่อยมันเองไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับการภาวนาของเราอยู่กับพุทโธไปแล้ว อ, อยู่กับการดูลมหายใจไปเพราะถ้าเรามามัวแต่คอยดูร่างกายเราก็จะไม่ได้ภาวนา เราก็จะคอยมาปรับท่าอยู่เลยนั่งเขาปรับท่าอยู่เอยมันก็ไปไม่ถึงไหนพอเริ่มนั่งแล้วไม่ต้องไปปรับท่าของร่างกายร่างกายมันจะเอ็งจะเอียงจะไงก็ปล่อยมันไปค่ะคำถามจาก youtube ดร์วค่ะเวลาเดินจงกรมแล้วจะปวดท้องหนักเบาควรจะทนหรือไม่คะถึงเวลามันต้องไปก็ต้องไปแหละมันเรื่องของธรรมชาติ ถ้าถ้าคิดว่ายัางจำเป็นยังกำาลังกำาำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกได้กำกำกำกำกำกำไำกำกำกำกำกำกำถ้าำกำกำกำก็กำกำกำกำกำกำกำกำกำเำกำกำกำกำกำกำกตกำกำกำกำกอกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก็ต้อ ง, องกำกำาำกำกำกำกำคำกำกำกำกำกำกกำกำคำก ฟังเทศเรื่องการสู้และพิจารณาทุกเขเวทนาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจแต่เวลานั่งสมาธิไปนานๆจนปวดมากๆก็เลิกทุกทีเป็นแบบนี้เพราะเราขาดอะไรและต้องแก้อย่างไรครับขาดสติสติที่จะทำให้ใจนิ่งมันไม่พอก็ต้องเพิ่มสติพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเวลาที่ใจเราไม่นิ่งพยายามพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยสักพักใจมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆได้ค่ะ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะรบควรสอบถามพระอาจารย์เรื่องปัญญีศีครับอะไรนะปัญญีย์ค่ะเป็นยังไง <c oughs> เขียนว่าอย่างไงนะ <c oughs> อะไริศียปัญญาบวกกับอินศียะค่ะปัญญ า, าอ๋อค่ะศีก็เป็นปัญญาก็เป็นอินศียอย่างหนึ่งอินศียก็คือความสามารถของใจเรา เนี่ยความสามารถของใจเรามีอยู่5เรียกว่าอินรีย์5 1คือมีศรัทธาความเชื่อสามารถที่จะมีศรัทธา2มีวิริยะความเพียรความขยันหนึ่งเพียร3มีสติ4มีสมาธิและ5มีปัญญานี่คือความสามารถของจิตที่จะที่จะมีแต่จะมีมากมีน้อยถ้ามีน้อยเราก็เรียกว่าอินรีถ้ามีมากเราก็เรียกว่าภละอินรีย์าภละห ของปุตชนนี้เราจะเรียกว่าเอ็นซีเพราะมีกําลังน้อยถ้าเป็นรถก็เป็นรถแบบรถแบบธรรมดาไม่ใช่รถแบบที่มีใส่ใส่ใส่เครื่องพลังสูงถ้าเป็นพระเรียบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้อินทรีย์ของท่านก็จะเป็นพระเป็นพอมีกําลังมากมีกําลังที่จะดับกิเลสได้แต่เอ็นของของปุตชนนี้ยังไม่สามารถดับกิเลสได้ แต่อาจจะทําให้มันเบาบางหรือทาให้มันอ่อนกําลังได้แต่ไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้อย่างถาวรต้องทำอิ น, รอนทรีย์ให้เป็นภาระห้าต้องเป็นทนให้เป็นภาระขึ้นมาด้วยการปฏิบัติมากขึ้นด้วยการศึกษาสร้างศรัทธาศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระรันตนตรัยแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้มากขึ้นปฏิบัติสติให้มากขึ้ น, ป ฏ, นปฏิบัติสมาธิให้มากขึ้น ปฏิบัติปัญญาให้มากขึ้นต่อไปมันก็จะกลายเป็นพระห้าขึ้นมาหมดแล้วเลยค่ะยังไม่มีคำถามค่ะคมีใครอยากจะถามอยู่ไหมก็ามาได้เชิญมา ท, งทางท่านนี้กะนมาอยู่ท้งนู้ข อ, อยากเจ้าค่ะพูดตังนนเลยนะคุณคแฟนถามมาเมื่อกี้ตอนฟังเทศกันเจ้าค่ะลูกหลานก็ พยายามทบทวนไม่รู้เข้าใจถูกหรือผิดขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนหรือสรุปเน้นย้ำอีกทีเจ้าค่ะพอดีวันนี้ที่ฟังกันเทศเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไมา่อยู่แล้วใช้พระธรรมเป็นเกณฑ์ ลูกหลานก็เลยมองว่าพระพุทธพระธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันทํามองว่าถ้าจะเทียบก็คือเทียบด้วยไม่รู้เข้าใจถูกป่ะนะคะใชยพระใจปิดกเป็นเกณฑ์แล้วก็ที่เหลือตอนนี้ก็พารยสง์พยายามหาพารยสง์ไว้เทียบเคียงถ้าสองอย่างนี้เท่ากันก็คิดว่าเอาตัวรอดได้ไดแต่ประเด็นคือพวกโยมทั้งหลายก็เป็นปุถุชนะจะรู้ได้ไงว่าตัวเองก็มีกิเลสอยู่แล้วจะเข้าใจสองอย่างมีให้ถูกต้องตรงกันมันก็เลยเพีย้ยนทํำยังไงให้ไม่เพีย้ยนหรือจะทํำยังไงดียวจ๊น ศึกษาพระสูตรสําคัญสำคัญอย่างที่ได้แจ้งไว้เรามีหนังสือในเบญจางค า, าสุณเนี่ยมีพระสูตรสําคัญอยู่5พระสูตรด้วยกันไปอ่านดูนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเจาแล้วก็ศึกษาแล้วก็พยายามนองออกไปปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วเราก็จะได้เห็นแต่ถ้าเราสงสัยในข้อใดเราไม่รู้เราก็ไปหาพระอริยสงฆ์มาช่วยอธิบายให้เราฟังทีนึงาค่ ะ, คะงรั้นก็ยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคําสอนของพระอริยสงฆ์นี่เป็นรอง เจ้าค่ะนอกจากว่าเราไม่สามารถอ่านหนังสือได้เราต้องอาศัยภารลยสง์โดยตลอดก็ได้แต่ต้องขอให้เป็นภาพลีสง์นะเราจะรู้ได้ไงเจ้าคะหลวงพ่อถ้าไม่รู้ก็ต้องก็ต้องลองไปเรื่อยๆหรือถามคนอื่นที่ไปศึกษาบางคนก็อาจจะรับรองได้เอาองค์นี้ท่านเป็นหรือเอาเอาเอาคำสอนของพระอรหันต์ที่ตายไปแล้วก็ได้อย่างนลวงตานี่ท่านตายไปแล้วแต่คําสอนของท่านยังอยู่เจท่านเป็นพระอรหรันต์ ฉันไปอ่านหนังสือของน้องตาได้ทุกเล่มเลยจะค่ะจะเป็นคำสอนของพระอาหารอย่างแน่นอนจาค่ะอต่ถ้าพระยังมีชีวิตอยู่นี้าบางทีเราก็ยังไม่ดูต้องรอให้ท่านตายไปก่อนจะถัดไปจะถช่ไปด้วยแ ล, ว แ, ลวแล้วไดูกระูกว่าคนท่านเป็นยังไงถ้าเป็นพราตราเป็นพระอาหามี น, อน้องสยประยัดจแล้วก็มาอ่านสือของท่านในภายหลังก็ได้จค่ะจะค่ะ จ, ง, จ<ร>งั้นจะพยายามอ่านพระไตรปิฎกก่อนนะจค่ะจค่ะไม่ต้องอ่านทั้งเล่มหรอกอ่าน อ่านพระสูตรสําคัญสำคัญหรือหนังสือที่เขาคัดออกมาแล้วเรียกว่านักทำตรีนี่ก็จะรวบรวมคําสอนสําคัญสำคัญจากสูตรนักทำตรีนี่ก็จะมีคําสอนเช่นจะสอนอริยสัจสี่สอนมรรคแปสอนไตายศีกขาสอนอะไรพระัตนตายอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เจ้าค่ะขอบพระคุณแม่ตาเจ้าค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ วิปัสสนากับการคิดไคร่ครธรรมตอนออกจากสมาธิแล้วแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าคิดไปทางไตรลักก็เป็นปรรัญญาถ้าคิดไปทางอื่นก็ไม่ใช่เป็นปรรัญญาเหตนต้องคิดทุกอย่างให้มันลงไปที่ไตรลักษณ์ให้หมดคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราไม่เที่ยงคนที่เราอยู่ด้วยไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เป็นปรรัญญาแต่ถ้าไปคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปนานๆเขาจะให้ความสุขกับเราไปนานๆ อันนี้เป็นกิเลสเป็นความหลงไม่เป็นปัญญาค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ข>ก็ขอให้ท่านจงนำเมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธิด